ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการพูดคุยธรรมะท่านผู้ฟังในเวลาที่เรา ธรรมที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วน่ะเป็นข้อปฏิบัติที่เอ่อผู้ปฏิบัติเนี่ยจะพึงเห็นได้ ในอย่างที่พระเจ้าก็พูดถึงเรื่องของความชั่ว อะไรควรทําความเข้าใจอะไรควรทําให้แจ้งอะไรควรทําเช่นพวกกิเลสตัณหาราคะอวิชชาส่วนนะอะไรเป็นเหตุ อันไหนมันเป็นส่วนไหนนะเราดูสิ่งอื่นๆทั่วไปเนี่ยให้ แล้วเวลาที่เราเห็นคนอื่นดีเค้าทําดีนะเค้าพยายามชักชวนเราไปดีๆทําซ้ําๆนี่คือทําๆทําอย่าไปเอ้ยฉันฟังธรรมะพอนะ นักกีฬาเนี่ยนะท่านฟังเค้าฝึกซ้อมตีกอล์ฟก็ตามเต้นๆนะเค้าถึงจะ แบนเราจะไม่ให้จิตใจของเรามีความประมาทไหนจิตใจของเราๆทําอยู่บ่อยๆการ มีมากมายหลายอย่างเอาสิ่งที่เป็นเช่นไอ้พวกความผิดศีลทั้งหลายเป็นสิ่งร้าวเค้าเรียกว่าร้ายกาจหรือ นะให้ใจของเราตั้งอยู่ในกุศลอย่างเวลามี นะด่าว่าเราเอาบาปใส่ตัวเราเองนะด่าว่าเราก็ทําสิ่งที่เป็นอกุศลเองไปเถอะอย่ามาเป็นกรรมของเรานะ รู้อะไรควรละอะไรควรทําในเวลาที่เขามาโขกสับเราเหมือนว่าจะมาด่าเราปู่ยี้ปู่ยําเราให้เราชิบหายลงไปเนี่ยถ้าจิตของเรา นาว่าเค้าใหม่ๆขึ้นมากั่นแกร่งนะมีกุศโลบายใหม่ๆในการโกงถ้าคุณฟังคิดว่าคนฉลาดแบบโง่ นะธรรมทางขึ้นสวรรค์แล้วก็ไม่ได้ยากด้วยนะแค่ แต่ 10 ปี 20 ปีบางคนคิดว่าฉันจะอยู่ไปอีก 30 ปีแต่บางคนคิดว่าอาจจะน้อยกว่านั้นแต่อายุ 6 ขวบอายุ 20 ตายก็ 100 ปียังไม่ตายก็ ก็จะกึกๆอึกๆขึ้นมาปุ๊บพั่วไปเลยก็ได้นะไม่แน่ 6 นาทีนะ 10 นาทีจากคนที่ไม่หายใจหรือบางทีเร็วกว่านั้นบางคนตายคาที่พั่วเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ๆนะถามว่า ไหนชื่อว่าเราใช้เวลาที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยในนี้ก่อนโลกนี้ไงเลยจิตเราเป็นสุขในโลกนี้เห็น 1 ไหน เดี๋ยวมีคนอื่นมาไม่ดีมาว่าละมีถ้าเราเป็นลูกแต่เธอก็มี มันไม่ใช่มีความสุขไม่ได้มีความสุขมันเป็นยาพิษที่เคลือบไว้ด้วยน้ําตาลเฉยๆถามว่าพอไอ้น้ําตาลมัน ไอ้น้ําตาลที่เคลือบอยู่ในยาพิษนั่นแล้วเนี่ยเราพยายามทําทางฝั่งใช้เวลาที่เราเหลืออยู่มากก็ตามน้อย สติคือความระลึกได้นั่นเองนั้นคือเราระลึกว่าเอ้ย อ่าเป็นเครื่องมือในการระลึกถึงให้จิตของเราเนี่ยอย่าไปอยู่ในแดนอกุศลสมมุติเราจะโกรธขึ้นมาเนี่ยเราระลึกถึงพุทธเจ้าปุ๊บจิตคุณออกจากห้วงพาภักความโกรธละนํามาระลึก เป็นเครื่องที่ตั้งที่ระลึกถึงเนี่ยมันยังดีนะเรื่องระลึกถึงเนี่ย 2 ข้อก็เอานะระลึกถึงความดีในเรื่องของศีลของ ในการช่วยที่จะระลึกให้จิตของเราไม่ไปอ้าวมีจิตเป็นกุศลแล้วดียัง เขาพูดขัดแย้งกับพระเจ้าในสมมุติมีนายกคนแล้วคุณมีรถหรูๆ ใครมาหมุนทวนเนี่ยคุณถูกปั่นเละเลยแต่เพราะนั้นใครพูดอะไรยังไงเนี่ยเรามีสติตั้งมั่นมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวใน นะถ้าจะพูดให้มันละเอียดลงไปหน่อยอ้าวเราจะพูด จากไว้ป่าดอน